พูดถึงเมืองสุพรรณบุรีนะคะเป็นเมืองโบราณที่เก่าแก่เหมือนเมืองสุโขทยัยหรือว่าเมืองอายุทยาเมืองพิษณุโลกแล้วก็อีกหลายจังหวัดค่ะ อีกทั้งเมืองสุพรรณบุรีก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงของนักรบนักรักกระชอนฉายาว่าขุนแผนนั่นเองจนได้มีการสร้างพระเครื่องขุนแผนไว้สักการะบูชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายแล้วก็เรื่องของความเมตตามหานิยมจากเพศตรงข้ามนะคะ และที่วัดป่าเลไลค่ะก็ยังมีการสร้างบ้านทรงไทยและรูปปั้นของขุนช้างตัวละครในเรื่องขุนช้างขุนแผนไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลงังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้เล่าเรื่องประสบการณ์นาทีวิกฤตเมื่อเจอดีโดนผีเมืองสุพรรณหลอกเต็ม ชื่อว่าคุณสนั่นค่ะเป็นเซลแมนนะคะก็ได้ขายสินค้าให้กับบริษัทมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพบอกกับเราค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นพนักงานในตำแหน่งเซลแมนบริษัทจะแบ่งสายงานให้เซลแมนแต่ละคนรับผิดชอบในแต่ละภาคเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าตลอดจนเงื่อนไขาการขายนะคะพวกเขาก็ขายสินค้าให้กับลูกค้าหลายจังหวัดค่ะเพราะฉะนั้น ก็ต้องเดินทางไปดูสินค้าที่ขายไปนั้นว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ต้องดูแลหรือว่าลูกค้าติดต่อให้ไปซ่อมสินค้านั้นๆพวกเขาก็จะต้องเดินทางไปด้วยรถทัวร์หรือไม่ก็รถยนต์ส่วนตัวนะคะแล้วก็จะไปพัก ที่โรงแรมต่างๆซึ่งก็มีหลายราคาตามแต่ฐานะของโรงแรมน่ะว่าระดับได้ส่วนมากพวกเขาก็จะเลือกพักที่โรงแรมราคาไม่ค่อยแพงมากนะักแล้วก็อยู่ใกล้ ก, กันกับลูกค้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปซ่อมสินค้าให้กับลูกค้าค่ะ แต่ว่าโรงแรมราคาไม่แพงเนี่ยมักจะมีลูกค้ามาพักประจําแล้วก็บางครั้งนะคะลูกค้าที่มาพักฆ่าตัวตายก็มีค่ะหรือไม่ก็ฆ่ากันตายเองในห้องแต่ว่าทางโรงแรมมักจะปกปิดเป็นความลับไม่เปิดเผยเรื่องร้าร้ายนี้ให้กับลูกค้ารายใหม่ที่เข้ามาพักเกรงว่าจะเสียรายได้นั่นเอง และมูลเหตุนี้ทำให้ลูกค้าที่มานอนพักค้างคืนเจอดีเข้าจนได้โดนผีหลอกกันแทบทุกรายค่ะและเขาก็เป็นอีกรายหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อของโรงแรมแห่งนี้เขามาเปิดห้องพักค้างคืน3ามคืนแล้วก็มีลูกค้าหลายรายที่ต้องซ่อมสินค้าให้โดยพวกเขาก็จะจ่ายเงินค่าที่พักเป็นรายวันแล้วก็มีลูกค้ารายอื่นมาพักกันหนาตาพอสมควร โดยทางด้านของเซลแมนที่ชื่อว่าคุณสนั่นเนี่ยนะคะก็พักอยู่ที่ชั้น3าของโรงแรมค่ะในคืนแรกนะคะคุณสนั่นบอกว่าหลังจากกลับมาจากซ่อมสินค้าให้กับลูกค้าเสร็จไปสองรายก็กลับมาที่พักอาบน้ำอาบท่าก็มีโทรศัพท์จากลูกค้านัดจะพาไปเที่ยวนะคะหาความสำราญตามสถานเริงรมเมื่อลูกค้าหวังดีมีเห ะ, ะที่ ผู้ชายอย่างคุณสนั่นจะปฏิเสธก็เลยตอบตกลงค่ะเมื่อถึงเวลานัดลูกค้ามาพบที่โรงแรมแล้วก็พากันไปเที่ยวที่แหล่งเริงตรมจนดึกคืนนั้นก็ปรากฏว่าคุณสนั่นเนี่ยก็หิ้วหญิงสาวหน้าตาดีมาเป็นเพื่อนนอนค้างคืนด้วยคืนที่สอง คืนนี้หาเจอดีจนได้หลังจากไหว้พระเรียบร้อยเขาก็เอนตัวลงนอนบนฟูกที่แข็งกระด้างก็เผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียหลังจากที่ทำงานมาทั้งวันเลยนะคะแล้วก็เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเา้าซึ่งขณะที่นอนอยู่นั้นคล้ายกับว่าตัวของคุณสนั่นเองเนี่ยนะคะเหมือนคนที่ตกอยู่ใต้ผวงังคือเครื่องหลับเครื่องตื่น แล้วก็เห็นมีผู้หญิงผมยาวกับผู้ชายมาจับขาพวกเขาเนี่ยคือลากลงจากเตียงแล้วก็ถามบอกว่าแกมานอนบนเตียงของพวกข้าทำไมเสียงอันเย็นยะเยือกพูดลากยาวจับขั้วหัวใจค่ะเขาก็พยายามดิ้นรนขัดขืนพร้อมกับตะโกนร้องให้คนช่วยแต่เปล่าประโยชน์เลยไม่มีใครมาช่วยเขาสักคนหนึ่ง เขาถูกจับขาลากลงจากเตียงจนศีสะฟาดพื้นห้องเสียงดังโครมก่อนหมดสติไปแล้วก็มีเสียงเคาะประตูดังหลายสิบครั้งนะคะเขาก็เลยงวงเงียรู้สึกตัวตื่นแต่ว่าอาการปวดสีษะด้านท้ายทอยก็ยังคงมึนๆอยู่เขาก็เลยตะโกนถามนะคะว่าที่มาเคาะประตูเนี่ยคือใครเสียงนั้นดังเล็ดลอดเข้ามาในห้องบอกขอโทษครับผมเป็นบอยโรงแรมครับเฮีย เขาก็เลยค่อยๆพยุงตัวเองลุกขึ้นแล้วก็เดินไปเปิดประตูพร้อมกับมือนะคะก็ยังคงรูปคล้ำเทยทอยอยู่บอยโรงดรมยืนหน้าเจิ๋มเจียมยิ้มที่มุมปากก่อนจะเอ่ยขึ้นมาบอกว่ามีคนมาขอพบเฮียรออยู่ที่ห้องอาหารครับเฮีย เขาขอบใจบ่อยที่มารายงานให้เขาทราบนะคะก่อนที่จะปิดประตูห้องแล้วก็เดินเข้าไปทําความสะอาดร่างกายเสร็จสับนะคะแล้วก็แต่งตัวลงไปพบกันกับแขกที่รอเขาอยู่ที่ห้องอาหารก่อนจะแยกย้ายกันกลับเขาไปทํางานซ่อมสินค้าให้ลูกค้าจนเย็นค่ะจึงได้นั่งสามล้อปั่นมาที่โรงแรมเมื่อคืนนี้เจอดีโดนผีลากขาลงเตียงเขาก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่า ผีสองตนชายหญิงจะมารังควานอีกหรือเปล่าคืนนี้เขาก็เลยเอาเพื่อนหญิงมานอนค้างคืนด้วยปรากฏนะคะว่าเพื่อนผู้หญิงเนี่ยโดนผีอัมแทบจะหายใจไม่ออกดีที่เขาตื่นมาเข้าห้องน้ําเห็นซะก่อนก็เลยได้ช่วยไว้ทันก็ทําเอาเพื่อนหญิงขวัญ น, นี้ดีฟอกข อ, อกลับไปนอนที่บ้านค่ะตัวเขาเองก็ใจคอไม่ดีเช่นกันก็เลยขอดร้องให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เพิ่มค่าตัวให้หล่อนอีก300บาทนะคะนั่นแหละหล่อนถึงยอมนอนเป็นเพื่อน และเขากับหล่อนก็ไม่ได้นอนจ้ำจี้กันแต่นอนคุยกันจนสว่างค่ะก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะขอตัวกลับบ้านแล้วเขาก็ได้คืนห้องเมื่อครบกำหนด3คืนแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพนะคะ นี่คือเสี่ยวนึงของชีวิตเซล์แมนที่นอนตามโรงแรมก็มักจะเจออะไรดีๆในทางร้ายเกือบจะทุกคนเพราะว่าคนตายในห้องไม่ยอมไปเกิดค่ะยังมีหน้ามาหลอกมาหลอนคนที่นอนค้างคืนในห้องที่ผีตนนั้นตายเมื่อโดนผีหลอกจะทําอย่างไรดีหรือว่านอกจากตัวใครตัวมัน มีคำแนะนําเท่านี้แหละนะคะที่ต้องการจะบอกเพราะว่าถ้าหากว่าเจ้าของโรงแรมหรือว่าเจ้าของสถานที่เนี่ยทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นนะคะนอกจากดวงวิญญาณเหล่านั้นจะไม่เป็นมิจฉาทิฐิรับส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านี้นะคะแล้วก็ไม่ตามไปรังควานหรือว่าไม่คอยกลั่นแกล้งผู้ที่มานอนพักค้างคืนอยู่ที่นี่ก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเรื่องราวลี้ลับ กับสิ่งที่มองไม่เห็นที่จังหวัดสุพรรณบุรียังไม่ได้หมดอยู่แค่นี้นะคะมีอยู่ที่หนึ่งค่ะคือที่อำเภอบางแม่ไม้ เป็นเรื่องของคนค่ะเกือบตกเป็นทาสผีแม่ไม้นะคะนี่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ผู้ชายทุกคนในสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเพื่อที่จะรบกับพมา่าแล้วสุดท้ายค่ะผู้ชายเหล่านั้นก็ตายในสนามรบก็เลยเหลือแต่หญิงกลายเป็นแม่ไม้แล้วก็เป็นตำนานประวัติศาสตร์บ้านบางแม่ไม้แห่งเมืองสุพรรณบุรีค่ะเรื่องนี้เป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปพิสูจน์ได้ที่อำเภอบางแม่ไม้ลองไปสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่นั่นดูถึงประวัติความเป็นไปเป็นมาว่าเป็นอย่างไรนะคะ สถานที่ที่เราจะเล่าต่อไปนี้นั่นก็คือที่บ้านบางแม่ไม้จังหวัด ส, สุพรรณบุรีค่ะแล้วก็ยังมีองค์พระพุทธรูปเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถเล่าขานกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะขออะไรก็มักจะประสบความสำเร็จทุกประการโดยเฉพาะหญิงแม่ไม้นะคะถ้าหากว่าขาดสามีไปจุดทูบบนบานบอกกล่าวรับรองเลยละค่ะว่าจะมีผู้ชายมาตอมกันเป็นทิวแถว ผู้เผยรายละเอียดบางตอนบางส่วนเรื่องผีแม่ไม้ให้เราได้ฟังก็คือลุงแจ้งแกเป็นชาวบ้านบางแม่ไม้มาตั้งแต่กำเนิดนะคะแล้วก็ยังได้เมียเป็นแม่ม้มานอนกอดมีลูกมีหลานจนถึงทุกวันนี้ค่ะสมัยที่แกเป็นหนุ่มวัยคึกขนองแกก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ผู้ชายเป็นรถมอเตอร์ไซค์วิบากซ้อนท้ายไปกับเพื่อนไม่ไปไหนหรอกนะะนอกจากว่าจะไปจีบสาวๆตามประสาหนุ่มๆนะคะ ออกจากหมู่บ้านนี้ก็จะไปทะลุหมู่บ้านน้นจนกว่าจะพอใจว่าสาวที่ตัวเองตามจีบเนี่ยสวยในสายตานั่นแหละถึงจะหยุดขับรถตรวนจีบสาวๆตามหมู่บ้านต่างๆนะคะ ลุงแจ้งแกมาพบกับหญิงงามที่บ้านบางไม้ค่ะหมายตาเอาไว้ว่าจะต้องแต่งงานกับสาวเจ้าคนนี้ให้ได้ก็หมั่นขับรถจักรยานยนต์คู่ใจแวะเวียนมาหาเธอที่บ้านทุกวันหากวันไหนไม่ได้เห็นหน้าเธอก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับอารมณ์แล้วก็จิตใจนี่ก็จะหงุดหงิดเหมือนคนบ้าเสียสติครั้นมาเห็นหน้าเธอเมื่อ น, นั้นจิตใจก็จะดีขึ้นคนโบราณเรียกอาการของแกว่ารักแรกพบนะคะ คบกับหญิงงามคนนี้มานานหลายปีค่ะลุงแจ้งแก่ก็เก็บเงินไว้มั่นแล้วก็เหลือเงินสำรองเตรียมค่าใช้จ่ายในงานแต่งงานด้วยแต่แล้วนะคะก็ต้องกินแ้วค่ะเพราะว่าเมื่อมีประหลัดอำเภอมาจากอำเภอไหนก็ไม่รู้มาคาบเธอไปกินแกก็เสียใจมากกินยาฆ่ า, มาแมลงหวังจะฆ่าตัวตายแต่ว่าแม่ของลุงแจ้งเนี่ยก็ช่วยส่งโรงพยาบาลให้หมอล้างท้องยื้อชีวิตไว้ได้ทันแกก็เลยรอดตายมาได้ ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจที่ผิดหวังถูกสาวคนรักหักอกนะคะก็ขอทำใจออกบวชเป็นพระไม่จำพรรษาอยู่ที่บ้านเกิดหากแต่ว่าขอเดินทุดงไปต่างถิ่นเผื่อว่าจิตใจจะได้สงบไม่ฟุ้งซ่าน บวชเป็นพระนานถึงหลายพรรษาค่ะก็ทําใจชีวิตอันขืนขมในอดีตได้ก็เลยตัดสินใจกลับมายังวัดบ้านเกิดเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่งงานมีลูกช่างมีความสุขอะไรกับชีวิตนะคะแต่ว่าแกเป็นพระค่ะไม่อยากจะคิดเรื่องทางโลกมากนะักก็เลยปรงกับชีวิตแต่ที่ไหนได้มีหญิงไม้ลูกติดในหมู่บ้านในสายตาของแกสวยไม่หยอกค่ะแกก็โดนสอนกรรมเทพปักอ ก, อกหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ได้เกิดสนใจหญิงไม้คนนี้ขึ้นมาแบบตงหิด ต, ตงหิด ความรักกลับมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่แกยังเป็นพระก็เกิดร้อนผาเหลืองขึ้นมาจำเป็นต้องลาสิกขาออกจากการเป็นพระมาขอแต่งงานกับหญิงไม้คนนี้อยู่กินกันฉันสามีภรรยานะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะลุงแกกลับมาจากการทำนาก็พลบค่าราบๆทุ่มกว่าๆแบกจอบมีควายเดินนำหน้ามาตามถนน เดินมาถึงกลางทางก็พบผู้หญิงนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่บนตอไม้แกก็เลยเดินเข้าไปถามก็ได้ความนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือหลงทางกลับบ้านไม่ถูกแล้วก็ขอร้องให้ลุงแจ้งเนี่ยช่วยไปส่งหน่อยนะคะพอเจอลูกอ้อนของผู้หญิงคนนี้เข้าค่ะ ต่อให้ผู้ชายใจแข็งแค่ไหนก็อ่อนได้เช่นกันแกก็เลยเกิดใจอ่อนรับปากอาสาว่าจะไปส่งก็เลยให้เธอเนี่ยนั่งบนหลังควายซึ่งแกก็เป็นคนจูงควายมุ่งหน้าไปยังบ้านของเธอซึ่งเธอจะบอกเส้นทางแกตลอดเวลาทั้งคนทั้งควายเดินลัดเลาะไปตามทางที่ผู้หญิงคนนี้บอกก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะก็มาถึงบ้านของผู้หญิงคนนี้ความมืดนะคะแกก็เลยมองเห็นไม่ค่อยชัดมีแต่ป่าปกคลุมเต็มไปหมด ผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ม้าอยู่กับลูกสองคนสามีถูกคนร้ายยิงตายมาหลายปีตำรวจก็ยังตามหาคนร้ายไม่ได้น ะ, ะจนถึงทุกวันนี้แกก็นั่งคุยอยู่กับผู้หญิงคนนี้จนดึกแล้วก็เห็นว่าได้เวลากลับบ้านเธอบอกว่าจะไปดักพบแกที่เดิมทุกวันพระแกก็ได้แต่พยักหน้าก่อนจะต้อนควายกลับบ้าน และทุกคืนวันพระค่ะหญิงไม้คนนี้ก็จะมาดักพบกับลุงแจ้งที่เดิมเป็นประจําจนเรื่องมาแดงเมื่อเท่าสิงห์หมอผีประจําหมู่บ้านที่แกให้ความเคารพนับถือมาพบเข้าโดยบังเอิญขณะที่ลุงแจ้งกับหญิงไม้นั่งคุยกันเท่าสิงห์รู้ได้ทันทีนะฮะว่าผู้หญิงที่แกคุยด้วยเนี่ยไม่ใช่คนก็เลยบอกให้แกถอยออกมาอยู่ห่างๆทาให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่พอใจเท่าสิงห์ที่รู้ทัน ผู้หญิงคนนี้ก็เลยแปลงกายเป็นผีผู้หญิงสภาพน่าเกลียดน่ากลัวนะคะคือทั่วทั้งตัวเนี้ยฟอนเฟะเต็มไปด้วยน้ำเหลืองไหลยเยิม้มส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งแกถึงกับยืนตกตะลึงค่ะเมื่อรู้ว่าหญิงไม่คนที่แกแอบหนีเมียมาตีท้ายครัวเนี่ยเป็นผี ทำอะไรไม่ถูกยืนขาแข้งอ่อนปวกเปียกซึ่งอาการแบบนี้เขาเรียกว่าคนโดนผีหลอกนะคะเท่าสิงผู้เรืองอาคมก็สยบผีแม่ไม้ตนนี้ด้วยพระเวทลงได้ราบคาบจับวิญญาณแม่ไม้ใส่ขวดปิดด้วยผ้ายันลงอาคมไว้ไม่ให้ไปเกิดก่อนจะพาแกกลับบ้านด้วยความปลอดภยัยแกคบกับผีแม่ไม้คนนี้มานานหลายเดือนโดยไม่รู้เลยแน่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผี แม้แกจะหลวมตัวเป็นผัวของผีแม่ไม้หากปล่อยไว้นานๆแกอาจจะตายได้ในวันใดวันหนึ่งนะคะดีที่เท่าสิงมาเห็นซะก่อนแกก็เลยไม่ตกเป็นทาสของผีแม่ไม้ไปตลอดชีวิตนั่นประไรล่ะแม้แต่คนที่เคยบวชเป็นพระก็ยังคงถูกกิเลสครอบงำ ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นนะคะเห็นคนก็นึกว่าผีเห็นผีก็นึกว่าคนไปหมดนะคะปัจจุบันนี้ลุงแจ้งก็ บ, บอกว่าไม่เอาแล้วต่อให้เจอผู้หญิงสวยมากแค่ไหนก็ขออยู่กับภรรยาที่แสนดีแล้วก็อยู่กับลูกๆ ก, กันดีกว่าเนาะ นี่คือเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับ B ด้วยแล้วก็กดติดตามช n แนลพระเจอผีให้ B ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ